สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในตอนที่สามสิบสี่นะครับของชีวิตพระเยซูโดยออตอนย่อยก็คืออัศจรรย์แรกของพระเยซูนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงการอัศจรรย์แรกของพระเยซูผมจะมีคําถามถามพี่น้องนะครับว่าพี่น้องทราบไหมครับว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูนั้นปร่งธรรมในโลกนี้นะครับที่พระคัมภีร์ บันทึกไว้นะครับทั้งสิ้นนะครับมีอยู่กี่การอัศจรรย์หรือไม่ครับมีกี่การอศัศจรรย์ครับลองเดาครับสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบหรือมากกว่าห้าสิบครับคําตอบก็คือสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจดครั้งด้วยกันที่พระเยซูได้กระทําการอัศจรรย์พี่น้องครับหากพี่น้องมีปากกานะครับแล้วก็มีกระดาษ ก็อยู่ข้างๆตัวของพี่น้องพี่น้องก็ลองจดดูนะครับผมจะไล่สามสิบเจ็ดครั้งของการอภิญจกรย์ของพระเยซูให้พี่น้องฟังนะครับครั้งแรกก็คือทุกคนทราบนะครับเปเยซูได้เปลี่ยนน้ําให้กลายเป็นราวังกุ่นที่หมู่บ้านกาณานะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันวันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นที่สองครับครั้งที่สองครับพระเยซูได้สรงรักษาบุตรของ เจ้าหน้าที่ราดการนะครับอยู่ในยอหบทที่สี่ครับครั้งที่สามครับเพซูทรงคขับวิญญาณชั่วนะครับออกจากคนนะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่หนึ่งและลูกาบทที่สี่ครับพี่น้องลองเปิดดูนะครับครั้งที่สี่ครับเพซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตรนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกาครับ มัทธิก็อยู่ในบทที่แปดมาระโกอยู่บทที่หนึ่งและลูกาอยู่บทที่สี่ครับครั้งที่ห้าครับเฟเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่วยเป็นจันนมากในเวลาเย็นก็อยู่ในบทเดียวกันนะครับถัดกันมาครับครั้งที่หกนะครับเฟเยซูได้ทรงทําการอักษ ร, รโดยการจับปลาเป็นจํานวนมากที่เป็นการอักษรครั้งแรกนะครับก่อนที่เฟเยซูจะชินไปชนมันเขน หลังจากนั้นก็จะมีอีกครั้งหนึ่งครับนะครับแต่ว่าที่เป็นการอาจารย์ครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับการกับปลานะครับบันทึกอยู่ในพระธรรมเล่มเดียวกันเล่มเดียวเท่านั้นคือลูกาบทที่ห้านะครับครั้งที่เจ็ดครับเปียซูได้ทรงรักษาคนโรคเรื้อนนะครับอยู่ในมัทธิวที่แปดมรคกที่หนึ่งและลูกาบทที่ห้าครับครั้งที่แปดครับเปียซูทรงรักษา คนงานหรือคนใช้ของในร้อยนะครับมัทธิวบทแปดและลูกาบทที่เจ็ดครับครั้งที่เก้าครับพระเยซูทรงรักษาคนพิการครับอยู่ในมัทธิวบทที่เก้ามาระโกบทที่สองและลูกาบทาบที่ห้าครั้งที่สิบครับพระเยซูทรงรักษามึกคนชายนะครับที่มีแขนรีบนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่สิบสอง มาระโกบทที่สามแล้วก็ลู ก, กาบทที่หกครับครั้งที่สิบแปดครับเปเยซูทรงอทําให้คนตายเป็นขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นลูกชายของหญิงไม้นะครับที่นาอินนะครับบันทึกอยู่ในลู ก, กาบทที่เจ็ดครับครั้งที่ 2, สิบสองครับเปเยซูทรงสั่งให้พายุได้สงบลงนะครับอยู่ในมาระโกบทที่แปดลู ก, กาบทที่แปดนะครับและมาระโกบทที่สี่ครับ ทั้งที่สิบสามครับเปียซูทรงไล่ผีนะครับแล้วก็ให้ไปอยู่ในฝูงหมูนะครับมัทธิวบทที่แปดครับมาระโกบทที่ห้าและลูกาบทที่แปดครับทั้งที่สิบสี่ครับเปียซูทรงรักษาผู้หญิงนะครับท่ามกลางฝูงชนในมาระมาระโกบทที่ห้านะครับมัทธิวบทที่เก้าแล้วก็ลูกาบทที่แปดครับทั้งที่สิบห้าครับเปียซูทรงเรียก ลูกสาวของยายรัสนะครับให้เป็นขึ้นเหนือความตายอันนี้เป็นการเรียกคนที่เป็นขึ้นเหนือความตายนะครับในมัตย์ิปัสที่เก้าลูกสาวที่แปดและมาระโกะที่ห้าครับครั้งที่สิบหกครับพเปียสุได้ทรงรักษาคนตาบอดสองคนนะครับอยู่ในมัตย์ิปัสที่เก้าครั้งที่สิบเจ็ดครับเปียสุส่งรักษาอคนใบ้นะครับ อยู่ในบทที่เก้าของมัทธิวครับครั้งที่สิบแปดครับเยซูส่ง ร, งรักษาที่เบสไซดานะครับอยู่ในยอห์นบทที่ห้านะครับในยอห์นบทที 5, ยย่ห้าเยซูทรงรักษาคนที่บ้านเบสไซดานะครับครั้งที่สิบเก้าครับเยซูส่ ง, งเลี้ยงคนห้าพันคนอันนี้บันทึกอยู่ในพระกัพปีทั่สี่เล่มเลยนะครับมัทธิวบทที่สิบสี่มาระโกบทที่หก ลูกลาบทที่เก้าและยอห์นบทที่หกนะครับครั้งที <deuxième> ่ยี 4, ่สิบครับเซซูส่งเดินบนน้ํานะครับบันทึกอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสี่มาระโกบทที่หกและยอห์นบทที่หกนะครับครั้งที่ยี่สิบเจ็ดครับเซซูทรงรักษาคนเป็นมากที่เยเนสเลตนะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่สิบสี่กระโทษครับมาระโกบทที่หกและมัทธิวบทที่สิบสี่ครับครั้งที่ยีิบสองครับ เซูทร่งรักษาผู้หญิงต่างชาตินะครับที่มีผีเข้าสศีลครับและลูกสาวของเขานะครับในมัทธิวบทที่สิบห้ามาระโกบทที่เจ็ดครับและครั้งที่ยี่บสามนะครับเซูทร่งรักษาคนหูหนวกและเป็นใบนะครับอยู่ในมาระโกบทที่เจ็ดครับครั้งยี่สิบสี่ครับเปโตรส่งเรี้ยงคนสี่พันคนนะครับอยู่ใน มัดที่บทที่สิบห้าและมรรกบทที่แปดครับทั้งที่ยี่สิบห้าครับเปยซูทรงรักษาชายตาบอดที่เบ็ดสายดานะครับอยู่ในมรรคบทที่แปดครับทั้งที่ยี่สิบหกครับเปยซูทรงรักษาคนชายที่เกิดมาลตาบอดนะครับอยู่ในยอนบทที่เก้านะครับทั้งที่ยี่สิบเจ็ดครับเปียซูทรงรักษาเด็กที่เป็นที่ถูกผีเข้านะครับอยู่ในมารคบททีเจ็ด ขอโทษครับมัทธิว17มาละโก9และลูกา9ครับครั้งที่28ครับเปียสุทรงทาการอาจรรย์โดยที่ให้คนไปจับปลานะครับและในปากของปลาก็จะมีเหรียญ น, นะครับอยู่ในมัทธิวบทที่17ครับครั้งที่29ครับเพียสุทรงรักษาชายตาบอด น, นะครับ แล้วก็มีผีร้ายตัวเข้าสิงนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่12ครับแล้วก็ลูกาบทที่11ครั้งที่30ครับเปเยซูทรงรักษาผู้หญิงนะที่เป็นง่อยอยู่ในลูกาบทที่13ครับครั้งที่31ครับเปเยซูทรงรักษาผู้ชายนะครับในวันสะบาโตนะครับอยู่ในลูกาบทที่14ครับครั้งที่32ครับพระเยซูสรงรักษาชายนะครับ ที่เป็นโลคเลือนสิบขนด้วยกันอยู่ในลูกาบทสิบเจ็ดครับครั้งที่สามสิบสามครับเปยซูทรงเรียกลากษัลัสให้เป็ น, คนเครื่องหมายความตายอยู่ในยอห์นบที่สิบเอ็ดครับและครั้งที่สามสี่ครับเยซูทรงรักษาตานะครับของบาธิเมอัสอยู่ในมัทธิวมาระโกลูกาครับมัทธิวอยู่ในบทที่ยี 20, ่สิบมาระโกบทที่สิบและลูกาบทสิบปดครับครั้งที่สามสิบห้าครับเปียซูทรงสาบ เอต้นมะเดือนะครับให้ไม่มีผลให้ตายในที่สุดอยู่ในมัททิปปีที1แล้วก็มาละโกที่11ครับครั้งที่36ครับพระเยซูทรงรักษาอาหูนะครับของคนใช้อยู่ในลูกาบทที่26ออขอโทษที่ลูกาบทที่22ครับแล้วก็ครั้งที่37นะครับครั้งสุดท้าย พระเยซูทรงจับปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในบทที่21ของพระธรรมยอห์นพี่น้องครับ37การอัศจรรย์นี้ทำให้เราเห็น3ประการครับคำถามก็คือ1เราเคยได้รับการอัศจรรย์จากพระเยซูหรือไม่อย่างไรครับ2พระเยซูทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลานี้ครับ เปียสูสามารถทำกาัเส้นได้ครับเปียสูทรงเป็นพระเจ้านะครับนี่คือสามประการที่เราทั้งหลายที่ต้องเรียนรู้จากการอัจเชิญของเปียสูขอพระเจ้าอวยพรที่น้องทุกท่านอาเบียน